بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات من ا ل خطاب الإسلامي بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي ا ل ش ر ي ق السابع ويحتوي على س و ر هود يوسف الرعد إبراهيم نأنب هود ب و د هو بود م ك ي ه مية مئة و ع ي ن ا م เพื่อความสนใจต่อหลักการศรัทธาของศาสนาอิสลามคือการศรัทธาต่อหล่อศรัทธาต่อบรรดาศาสนาพุทธศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนตลอดจนได้กล่าวถึงประวัความเป็นมาของบรรดานับีอย่างละเอียดเป็นการปลอบใจท่านอบีมูฮัมมัดสโลลล์โมลาเวสลำในขณะที่ท่านประสบกับการทำร้ายของพวกมุสลิกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาครับถันที่เผชิญกับถัน คือหลังจากที่หลุงของท่านคืออบูตอเลฟและภัญญาของท่านคือขอดิยาได้สิ้นชีวิตลงในระยะนั้นโปร่งการต่างๆได้ถูกประธานลงมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นแก่บรรดาขย์ซึ่งได้รับการทดสอบน้านาชนิดท้งนี้เพื่อท่านนาบี้มมั ส, สวลลลลอเมลัสลัได้ยึดถือเป็นแบบฉบับในการอดทนและมีความหนักแน่น บทเริ่มด้วยการเทริดพระเกียรติของอัลกุรอานซึ่งได้ถูกประทานลงมาอย่างสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านหลังจากนั้นได้กล่าวถึงพื้นฐานของการเผยแพร่าาศาสนาอิสลามด้วยการพิสูจน์ทางสติปัญญาพร้อมกับการเปรียบเทียบ ร, ระหว่างสองฝ่ายคือฝ่ายที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและฝ่ายที่หลงผิดต่อจากนั้นได้กล่าวถึงาศาสนาทูต ท, ที่มีเกียรติทั้งหลายโดยเริ่มด้วยเรื่องของดามีนนะอะไลสลาม บิดาคนที่สองแห่งมนุษยชาตินอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงเรื่องของดบีหูอะไลสลามซึ่งบทนี้ตั้งชื่อตามชื่อของท่านต่อจากนั้นได้กล่าวถึงเรื่องของนบีซันะเรื่องราวของดบมีหูเรื่องราวของดามีสวนิเรื่องราวของน บ, บีมูซาและฮารูอลัลลอฮ์ทรงประทานพรและความสารติแก่พวกเขาทั้งหลายต่อจากนั้นก็เริ่มในการวิ จ, จารณ์ เรื่องราวต่างๆว่าเป็นบทเรียนและข้อเตือนสติเช่นการทําลายผู้อาจทํำให้ประสบกับความหายนะบทนี้จบลงด้วยการชี้แจงถึงเคล็ดลับในการกล่าวถึงเรื่องราวของบรรดาศาสนาทูตทั้งนี้ก็เพื่อเป็นข้อคิดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิเสธสถาและฝ่าฝืนในอริตรธรรมและเพื่อทําให้จิตใจของท่านนาบีมุฮัมมัด ส, สลลั ล, ลอวอะเลยะวะสลัมหนักแน่นในกา ร, รเผชิญกับความทุกข์ยากความหนักใจ ตลอดจนสถานการณ์ที่เหลือไวการที่บทนี้จบลงด้วยการให้ความเป็นเอกภาพเช่นเดียวกับที่ได้เริ่มต้นด้วยการให้ความเป็นเอกภาพก็เพื่อจะให้เป็นการสอดคล้องกันในตอนแรกเริ่มและตอนจบด้วยพระนามของเราผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลลาฮ ขิตาบุรุก้ก ح ม م ة อาย يات า ม, ม, มุมมแม้สัลตมิลละดุู้ ح ك ي มินฮุลีดอัลลิฟลามรอคำพีพี่องการทั้งหลายของมันได้ถูกให้รัตกลุ่มมีระเบียบและถูกจำแนกเป็นเรื่องต่างๆอย่างชัดแจ้งจากพระผู้ทรงปริจายานผู้ทรงเชี่ยวชาญอัลลอฮฺจับดูอิลลัลลาฮฺอิน น, นัมิลฺฟุม เพื่อพวกเจ้าต้องไม่เคารพพักดีผู้ใดนอกจากอัลละแท้จริงฉันได้รับการแต่งตั้งจากพระองค์ท่านมาอย่างพวกเจ้าในฐานะผู้แจ้งข่าวร้ายและข่าวนัมี และพวกเจ้าจงขอพยะทุศจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าแล้วจงกลับตัวต่อพรอม พระองค์ทรงให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าซึ่งปัจจัยยังชีพที่ดีไปจนถึงวาระหนึ่งที่กำหนดไว้และพระองค์จะประทานให้แก่ทุกๆคนที่ทำความดีซึ่งความดีของเขาและหากพวกเจ้าหันหลังให้แท้จริงฉันกลัวแทนพวกเจ้าซึ่งการลงโทษในวันอันยิ่งใหญ่ การกลับของพวกเจ้าย่อมไปสู่อัลลอฮ์และพระองค์เป็นผู้ทรงเดชฉานุภาพเหนือทุกสิ่งข้พงาพเจ้าถือว่า แท้จริงพวกเขาปกปิดความลับไว้ในสวงกของพวกเขาเพื่อพวกเขาจะซ่อนความเป็นศัตรูจากพระองคพิงทราบเถิดว่าขณะที่พวกเขาเอาเสื้อผ้าของพวกเขาปกคลุมตัวนั้นพระองค์ทรงรู้สิ่งที่พวกเขาปกปิดและสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยแท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในสวงกว และไม่ว่าสัตว์ตัวใดที่เหยียบย่าลงในแผ่นดินและเดินเครื่อนย่างชีพ ข, ของมันเป็นหน้าที่ของอรรถและพระองค์ทรงรู้ที่ํา น, นักของมันและที่พักทั่วคราวของมัน وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أ ي ا م وكان عرشه على الماء ي ب ر و ك م أيكم أحسن عمل ا ولئن قلتم إنكم مبعوثون من พ ร, ร, ร, ระงองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินในระยะเวลาหกวันและบาลังของพระงองค์ทรงอยู่อยู่ดานน้ำเพื่อพระองค์จะทรงทดสอบพวกเจ้าว่าผู้ใดในหมู่พวกเจ้ามีการงานที่ดีเยี่ยม และหากเจ้ามุฮัมหมัดกล่าวว่าแท้จริงพวกเจ้าจะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังจากที่ได้ตายไปแล้วแน่นอนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่านี่ไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากเลขกลอย่างแท้แต่ ي ي และหากเรายืดระยะเวลาการลงโทษของพวกเขาออกไปอีกระยะเวลาหนึ่งที่ได้กำหนดไว้แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอะไรหรือได้ยับยั้งมันไว้พุณทราบเถิดว่าวันซึ่งการลงโทษจะมาอย่างพวกเขามันจะไม่ละเว้นไปจากพวกเขา และมันก็จะห้อมล้อมพวกเขาตามที่พวกเขาได้เค ย, ยเยอะเยิ่ยมันและถ้าเราได้มนุษย์ลิงร้ความเมตตาจากเราแล้วเราได้ดึงมันกลับมาจากเขาถ้าจริงเขานั้นเป็นผู้หมดหวังและสิ้นศรัทธาอย่างแน่น และถ้าเราได้ให้เขาลิ้มรสความโปรดปรานหลังจากความทุกข์ยากได้ประสบกับเขาแน่นอนเขาก็จะกล่าวว่าความชั่วร้ายต่างๆได้ผ่านพ้นจัดฉันไปแล้ว ถ้าจริงเขานั้นเป็นผู้คลิกขนองยิย่งยะโอยากแน่นอเว้นแต่บรรดาผู้อดทนและกระทำความบีทั้งหลายชนเหล่านั้นแหละสำหรับพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่ فَلَعَلَّكَ ت َْ ر َ ف ُ بَعْضَ مَا ي ُ ح َ ى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَيْ يَقُولُ أ َ ي يَقُولُ لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ك َ ذ ُ ن ُّ و جَاءَ مَعَهُ م َ ل َ ك ٌ إِنَّمَا และบางที่เจ้าจะทิ้งบางส่วนให้มีองการลงมาอย่างเจ้าและโวกของเจ้าจะตึกอัดต่อสิ่งนั้นโดยที่พวกเขากล่าวกันว่าทำไมเล่าขุมทรัพย์จึงไม่ถูกส่งลงมาหรือทำไมมลักจึงไม่ถูกส่งลงมาพร้อมกับเขาแท้จริงเจ้าเป็นเพียงผู้จักเตือนเท่านั้นและอลัลลอฮฺเป็นผู้ส่งรักษาทุกสิ่ง หรือพวกเขากล่าวว่ามูฮัมหมัดได้ปลอมแปลงอังกุราขึ้นมามวฮัมหมัดกล่าวว่าดังนั้นพวกเจ้าจงนำมาสักสิบบทที่ได้ถูกปลอมแปลงขึ้น ให้ได้อย่างอัลกุรอแต่พวกเจ้าจงเรียกผู้ที่มีความสามารถในหมู่พวกเจ้าอีกจากอัลลอฮ์ให้มาช่วยถ้าพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงแต่เอลลัมย์จติจิบุลัุมฟะลห์ฮุอันมาันซิลบิอัลมิลลาห์ว่าลลาอิลาห์อิลลาห์ว่าฟะฮ์ลอันตุมุสลิม ถ้าพวกเขาไม่ตอบสนองการเรียกร้องของพวกเจ้าพก็จงทราบเีิดว่าแท้จริงอัลกุรอานถูกประทานลงมาโดยความรอบรู้ของอัลลอฮ์และนั่นคือไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์และพวกเจ้ายัางนม่ยอมชำร น, นอีกหรือมนคาุ ผู้ใดปรารถนาที่จะมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้และความเสี่องหานของมันเราก็จะตอบแทนให้แก่พวกเขาอย่างครบถ้วนซึ่งการงานของพวกเขาในโลกนี้เท่านั้นโดยที่พวกเขาจะไม่ถูกลิดรอนการงานนั้นแต่อย่า ง, <S <S อองาาาใด คนเหล่านั้นพวกเขาจะไม่ได้รับการตอบแทนอันใดในปรโลกนอกจากฝ่ายนรกและสิ่งที่พวกเขาได้กระทํำไว้ในโลกนี้ก็จะไร้ผลและสิ่งที่พวกเขาได้เคยกระทํำไว้ก็จะสูญเสียไป ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن ي َ ت َ خ ه مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ و َ ع د ه ُ فَلَا تَتُفِي م ِ ر ْ ي َ ة مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ و َ ل َ ك َِّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ผู้ที่อยู่บนหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระผู้อภิบาลของเขาและผู้เป็นพยานจากพรห์จะสาธยายมันและก่อนหน้านั้นมีกัมภีร์ของมูซาเป็นแนวทางและเป็นความเมตตาชนเหล่านั้นจะศรัทธาต่อมันและผู้ใดาจากพรรคต่างๆปฏิเสธศรัทธาต่อมันฝ่ายนรกคือสัญญาของเขาดังนั้นเจ้าอย่าได้อยู่ในการสงสัยมาเลยแท้จริงมันเป็นสัญธรรมจากพระเจ้าของเจ้า แต่ถ้าว่ามนุษย์ส่วนใหญ่จะไม่ศรัทธาและผู้ใดเล่าจะทำยิ่งไปกว่าผู้ที่กล่าวเท็จต่อรอง ชนเหล่านั้นจะถูกนํามาเสนอกับพระผู้อภิบาลของเขาและบรรดาพยานจะกล่าวว่าพวกเหล่านั้นคือบรรดาผู้กล่าวเพศต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาเพื่อทราบเถิดว่าการสาบแช่งขอร้องจะได้แก่บรรดาผู้ที่อัอััลนนส ด, ดูบบิลลาวุาาวจเรตถ์ คือบรรดาผู้ที่กีดขวางทางของอัลลอ์และพวกเขาใคร่ที่จะให้มันคดเคี้ยวและสำหรับพวกเขาในประโลกนั้นเป็นผู้ปฏิลลเสธิยา คนเหล่านี้จะไม่รอดค้นจากการลงโทษในพันธบินนี้และสำหรับพวกเขาจะไม่มีผู้ปกป้องนอกจากลอสการลงโทษแก่พวกเขาจะถูกเพิ่มเป็นเทวีคูนพวกเขาไม่สามารถที่จะฟังได้และไม่อา จ, จเจ็บได้ขุนไลค์กัลรู ทั้เหล่านี้คือบรรดาผู้ที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาขาดทุนและสิ่งที่พวกเขาอุปโลกขึ้นนั้นก็ได้กระเถิดหนีไปจากพวกเขาโดย แ, แ น, น่ม้ พวกเขาเป็นผู้ขาดทุนยิ่งในปัจจุบันโลกแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีและสมบูนตนต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาชนเหล่านั้นคือชาวสวรรค์ซึ่งพวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล อุปมาของทั้งสองฝ่ายดังเช่นคนตาบอดได้หูหนวกกับคนมองเห็นและได้ยินทั้งสองนี้จะเท่าเทียมกันหรือพวกเจ้าไม่ได้ไครตรองบอกกันแล้วพระองค์ตรัสว่า และโดยแน่นอนเราได้ส่งไปยังกลุ่มชนของเขาโดยเขากล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นผู้เตือนอันแน่ชัดแก่พวกเจ้าแล้วอัลลอฮฺคือพวกเจ้าจะได้เคารพผู้ใดอื่นจากอัลลอฮ แท้จริงฉันกลัวแทนพวกเจ้าถึงการลงโทษในวันอันเจ็บปวด แล้วบรรดาผู้นำซึ่งปฏิเสธศรัทธาจากปุ่มชนของเขาเกล่าวว่าเราไม่เห็นท่านเป็นอื่นใด น, นอกจากสามัญชนเช่นเราและเราไม่เห็นผู้ใดปฏิบัติตามท่านนอกจากบรรดาผู้ต่ำต้อยจากพวกเราที่มีความคิดตื้นตืนและเราม่เห็นว่าพวกท่านประเสริฐกว่าพวกเราแต่พวกเราคิดว่าพวกท่านเป็นพวกโง่ قال يا قوم ِ أ َ م إن ك ت ن ن ر َ أ ت ي ر م ن ع ن ت ا ي م ن ع ن د م ي ك ن ل َ و ت ل ا ن ع ر واو قوّة قوم ن ّ قوم ِ ن ّ ق ن ّ قوم ش ّ ي و م ش ن َ قوم ن ّ ق و َ شنّ ق م ن ّ م ش ّ م شنّ و م شنّ ِ و ِ ش ن و ن ّ ق م شنّ ق م ْ ن َ م شنّ ق ِ م ُّ و م ن ّ و ن ّ قوم ش ق م ش و م شنّ قوم ن قوم شنّ م شنّ قوم ش ن و م شنّ قوم شنّ و م َ ن و م ش و ن ّ ق م و م ش ن ن و ن ق م و ฉันมีหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระผู้อิบานของฉันและพระองค์ทรงประทานความเมตตาจากพระองค์แก่ฉันและได้ถูกทําให้มันมืดมนแก่พวกเจ้าเราจะบังคับพวกเจ้าให้รับมันทั้งๆ ท, ที่พวกเจ้าเกลียดชังมันกระนั้นด้วย โอ้กล er ุ่มชนของฉันฉันไม่ได้ร้องขอทรัพย์สินอื่นใดสำหรับการถผยแพร่แต่รางวัลของท่านอยู่ที่เอาล็อกและฉันจะไม่เป็นผู้ขับไล่บรรดาผู้สภาบอกแท้จริงพวกเขาจะเป็นผู้พบพระผู้อภิบาลของพวกเขา แต่ฉันเห็นว่าพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่มงมงายแล้วกลุ่มชนของฉันผู้ใดจะช่วยฉันนะที่อัลลอฮ์หากฉันขับไล่พวกเขาพวกเจ้าไม่คิดบ้างหรือแล้วอัลลอฮ์ ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدرى أعينكم ل ن يأتيهم الله خ ي ر ا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن ا ل ظ ا ل م ي ن لا أَنَا مِنَ ا ل ْ م ُ ن ْ ك َ ر ِ ي ن ฉันมีคุ้มคลังของอัลลอฮ์และฉันไม่รู้สิ่งที่พ้นยามวิสัยและฉันไม่ได้กล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นมะลักและฉันไม่ได้กล่าวกับบรรดาผู้ที่สายตาของพวกเจ้าเหยียดหยามว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงประทานความดีแก่พวกเขาอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ดียิ่งขึ้นสิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเขาแท้จริงถ้าฉะ น, นั้นฉันจะอยู่ในหมู่ ผู้อ้อาาม ท, ทังหยพวกเขากล่าวว่าโอ้เนื้อเอ๋ยแน่นอนท่านได้โต้เถียงกับพวกเราแล้วท่านได้ทำให้การโต้เถียงของเรามากขึ้นดังนั้นจงนำมันมาให้เราเถิดในสิ่งที่ท่านได้สัญญากับเราไว้ น, น, นิกกล่าวว่าแทจริง a ล l a h เท่านั้นจะทรงนำมันมายัางพวกเจ้าหากพระองค์ทรงประสงค์แล้วพวกเจ้าจะไม่เป็นผู้รอดพ้นไปได้ และคำแนะนำของฉันจะไม่เกิดประโยชน์แก่พวกเจ้าตามที่ฉันปรารถนาจะแนะนำพวกเจ้าถ้าาทอดทรงประสงค์ให้พวกเจ้าลงผิดพระงคคือพระผู้อวยบานของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปอย่างพระองค์ หรือพวกเขากล่าวว่าขโมมัดได้อุปโลกมันขึ้นมาขโมมัดจ้งกล่าวเถิดว่าฉันอุปโลกมันขึ้นมาความผิดของฉันย่อมอยู่ที่ฉัน แต่ฉันขอปลีกตัวออกจากสิ่งที่พวกเจ้ากระทำนี้เราได้ยูองการแก่นว่าแท้จริงจะไม่มีผู้ใดในกลุ่มชนของเจ้าศรัทธาเว้นแต่ผู้ที่ได้ศรัทธาแล้วดานั้นเจ้าจงอย่าเศร้าหมองในสิ่งที่พวกเขากระทำนี้ م م และเจ้าจงสร้างเรือต่อหน้าเราและตามคำบัญชาของเราและจงอย่ามาพูดกับข้าถึงบรรดาผู้อารรแท้จริงพวกเขาจะถูกให้จมน้ำตาย There, และเขาได้สร้างเรือและคาดที่ผู้นำจากกลุ่มชนของเขาผ่านมาทางเขาพวกเขาก็จะเยาะเย้ยเขาเขา็กะ่าวว่าหากพวกเจ้ายอเย้ยพวกเราแท้จริงเราจะเยาะเย้ยพวกเจ้า เช่นเดียวกับที่พวกเจ้าย่ะเยื่ อ, อ, อแล้วพวกเจ้าก็จะรู้ว่าผู้ใดที่การลงโทษอันอับปยจะมาอย่างเขาและการลงโทษอันยั่งยืนก็จะประสบแก่พวกเขาอย่างแน่นอน ตรงกระดานคำบรรจาคมเราได้มาและบนพื้นแผ่นดินน้ำได้โผยพุ่งขึ้น เรากล่าวว่าจงบรรทุกไว้ในเรือจากทุกชนิดเป็นคู่คและครอบครัวของเจ้าหัวเว้นแต่ผู้ที่พระดำรัสได้กำหนดแก่เขาไว้ก่อนและผู้ศรัทธาแต่ไม่มีผู้ศรัทธาร่วมกับเขานอกจากจำนวนเล็กน้อยวาลอบิ แต่เขากล่าวว่าพวกเจ้าทรงลงเรือด้วยพระนามของอัลลอฮ์ทั้งในายามที่มันแล่นและในายามที่มันจอดแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ ย่าบุล ย, ย์ร์คัมม์มานาวลากุ่มมมันคาชีรีเมื่อแล่นพาพวกเขาไปทํากลางคลื่นลูกเท่าภูเขาและมัวก็ได้ร้องเรียกลูกชายของเขาซึ่งอยู่อย่างโดดเดี่ยวโอ้ลูกหลักจงมาโดยสารเรือ ก, กับเราเถิดและเจ้าจงอย่าอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเลย ลูกชายกล่าวว่าฉันจะไปอาศัยที่ภูเขาลูกหนึ่งมันจะคุ้มครองฉันจากน้ำ ไ, ได้นัวกล่าวว่า ไม่มีผู้ใดที่จะพุ้งครองในวันนี้ให้พ้นจากพระบัญชาของอัลลอฮ์ได้เว้นแต่ผู้ที่พรงุงทรงเมตตาเท่านั้นและคลื่นด้ซักเข้ามาระหว่างเขาทั้งสองและปรากฏว่าลูกชายได้อยู่ในหมูผู้จมน้ำตายนยาายน า, า, าบนา และได้มีเสียงกล่าวว่าโอแผ่นดินเ อ, อ๋ยจงกลื่นน้ำของเจ้าและโอ้ฟ้าเ อ, อ่ยจงหยุดและน้ำได้ลดลงและกิจการได้ถูกตัดสินและมันได้จอดเทียบอยู่ที่ภูเขายูดี และได้มีเสียงกล่าวว่าความหาย น, นะ์จงประสบแก่กลุงมชนผู้อาจรำถือะกและนูฮ์เดรองเรียนต่อพระผูอ้อภิบาลของเขาโดยกล่าวว่าโอ้พระผูอ้อภิบาลของฉัน แท้จริงลูกชายของฉันเป็นคนหนึ่งในครอบครัวของฉันและแท้จริงสัญญาของพระองค์นั้นเป็นความจริงและพระองค์เท่านั้นทรงตัดสินที่ยงธรรมยิ่งในหมู่ผู้ตัดสินทั้งหลายออออ พร้อมจัดว่าโอ้โน้ตเ อ, อ๋ยแท้จริงเขาไม่ได้เป็นคนหนึ่งในครอบครัวเจ้าแท้จริงการกระทำของเขาไม่ดีดังนั้นเจ้าอย่าร้องเรียนต่อข้าในสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้เลยแท้จริงข้าขอเตือนเจ้าที่เจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้มงมมาย เข า, บบนนาก أ أ าล่วลล า, กลาวว่าโอ้พระผู้ยุบาลของฉันแท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่านให้พ้นจากการร้องเรียนต่อพระองค์ท่านในสิ่งที่ฉันไม่มีความรู้ในเรื่องนั้น และหากพรุองท่านไม่ทรงอภัยและเมตตาแก่ฉันแล้วฉันก็จะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุลนได้ยินเสียงกล่าวว่าโอ นูเอ๋ยชงลงไปจากเรือด้วยความสันติจากเราแล้วความจำเริญแก่เจ้าและกลุ่มชนที่อยู่กับเจ้าและกลุ่มชนอื่นที่เราได้ให้พวกเขาหลงระเริงแลวกาลงโทษอย่างเจ็บปวดจากเราก็จะประสบแก่พวกเขาิ ล, บา ย, ลายบ เร่านั้นคือส่วนหนึ่งของเรื่องราวอันเร่นลับที่เราได้ให้องการมาอย่างเจ้ามฮัมหมัดเจ้าไม่รู้เรื่องนี้และกลุ่มชนของเจ้าก็ไม่รู้มาก่อนเลยดังนั้น เจ้าจงอดทนแท้จริงบนปลายที่ดีนั้นจะประสบแก่บรรดาผู้ย่ำเกรงและอย่างอาดเราได้ส่งพี่น้องคนหนึ่งจากพวกเขาคือพูดเขากล่าวว่า พวกกุ่มชนของฉันพวกเจ้าชมคาระทบดีต่อรอเถิดพวกเจ้านั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์พวกเจ้าไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นพวกกล่าวเท็ดเท่านั้น โอ้กลุ่มชนของฉันฉันไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนต่อพวกเจ้าในการนี้เลยรางวัลของฉันนั้นอยู่กับพระผู้บังเกิดฉันพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหรือ และโอ้กลุ่มชนของฉันจงขอพยโทษ ต, ต่อพระเจ้าของพวกเจ้าและจงกลับตัวต่อพระองค์เถอพระองค์จะส่งเมฆมาให้พวกเจ้าให้หลั่งน้ำฝนลงมาอย่างหนักและจะส่งเพิ่มพลังให้เป็นทวีคูณแกพ่พวกเจ้าและพวกเจ้าจงอย่าพินหลัง โดยเป็นผู้กระพวกเขากล่าวว่าโอ้ฮุตเอ่ยท่านไม่ได้นำหลักฐานอันชัดแจ้งมาให้แก่เราและพวกเราก็จะไม่ละทิ้งพระเจ้าทั้งหลายของเราเพราะคำกล่าวของท่าน และพวกเราก็จะไม่ศรัทธาต่อท่านอออเราจะไม่กล่าวอย่างใดเว้นแต่พระเจ้าบางองค์ของเราได้นำความชั่วเข้าไปสิงในตัวท่าน พูดกล่าวว่าแท้จริงฉันขอให้อลลอฮ์ทรงเป็นพยานและพวกเจ้าจงเป็นพยานด้วยว่าแท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้ตั้งถากถี่กันมมีาลนดูนดนดตื่นจากโรงดังนั้นพวกเจ้าทั้งหมดจงวางแผนสำไรเถิด และพวกเจ้าจะได้ให้ฉันต้องรอคอยเลยอินนี่ทวกลตุอัลลอฮรบบีวะรบบคุมม่หมินดบตอิลล่าฮวะอคดุมบินาซียะฮอินนรบบีอัลาริมุสตีมถ้าจริงฉันขอมอบหมายต่อรอคราผู้อภิบาลของฉัน และพระผู้อบิบาลของพวกเจ้าไม่มีสัตว์เลื้อยคลานใดๆเว้นแต่พระองค์ทรงกำคำมับมันไว้แท้จริงพระผู้อวิบายนของฉันนั้นอยู่บนทางที่เที่ยงตอมรลตกหอ ้าพวกเจ้าขินหลังให้แน่นอนฉันได้แจ้งข่าวแก่พวกเจ้าแล้วตามที่ฉันได้ถูกส่งมายัางพวกเจ้าและพระผู้อวิบาลของฉันจะทรงแต่งตั้งกลุ่มชนอื่นจากพวกเจ้าเป็นตัวแทนและพวกเจ้าจะไม่ก่ออันตรายต่อพระองค์แต่อย่างใดแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันเป็นผู้ทรงคิทับทุกสิ่ง และเมื่อพระบัญชาของเราได้มาถึงเราได้ช่วยอูดและบรรดาผู้ศรัทธาร่วมกับเขาให้รอดพ้นด้วยความเมตตาจากเราและเราได้ช่วยให้พวกเขา คนจะ ก, กล้าลงโทษอันโหดร้ายว่าทิลกหล่าเดจะพดูบิอายาตรบบิฮิมวและรัศละและตะบังอัมระุลิจับบารินานีดและนั่นคือกลุ่มชนอาร์พวกเขาปฏิเสธองค์การทั้งหลายของพระธุอภิบาลของพวกเขาและฝ่าฝืนต่อบรรดาศาสนาพูดของกรมและปฏิบัติตามคำสั่งของ ผู้ยะโสโอหันและผู้ฝ่าฝืนทุกข์ทนและพวกเขาถูกติดตามด้วยการสาปแช่งในโลกนี้และในปรโลกพึงทราบเถิดว่าแท้จริงกลุ่มชนอาร นั้นได้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาพึ่งทราบเกิดว่าจงหางาจ่างไกลจากความเมตตาเถิดสำหรับอาจลุลลุมชนของฮูดวาอมมััฮกุรส uh. ต มมลและยังสมมุติเราได้ส่งพี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือซอและเพราะกล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันพวกเจ้าจงเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์เถิดพวกเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์พระองค์ทรงบังเกิดพวกเจ้าจากพรนบิน และสรงให้พวกเจ้าพานักอยู่ในนั้นดะนั้นพวกเจ้าจงขอไพรโทษ ต, ต่อพระองค์แต่จงกลับตัวต่อพระองค์เถิดแท้จริงพระผู้บริบาลของฉันนั้นทรงอยู่ใกล้ทรงตอบรับการขอสเสมอขอูยาศิคุนทฟนามรูวันลฮ า, า, า, าอนาดะดอาบา ละพวกเขากล่าวว่าโอสร ะ, ะเอ๋ยแน่นอนท่านเคยเป็นความหวังในหมู่ของพวกเรามาก่อนบัด น, นี้ท่านจะห้ามม่ให้เราเคารพพักดีสิ่งที่บรรพบรุษของเราเคารพพักดีกระ น, นั้นหรือ แต่แท้จริงพวกเราอยู่ในการสงสัยต่อสิ่งที่ท่านร้องเรียกเชิญชวนเราไปอย่างสิ่งนั้นอเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉัน พวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือหากท่านมีหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระผู้อภิบาลของฉันและพระองค์ทรงประทานความเมตตาจากพระองค์แก่ฉันดังนั้นผู้ใดเล่าจะช่วยฉันให้พ้นจากอัลลอฮ์หากฉันฝาฟาฟ่าฝืนพระองค์แต่นั้นพวกเจ้าจะไม่เพิ่มภูมสิ่งใดให้แก่ฉันได้เลยนอกจากการขาดทุนเท่านั้น <S <S <S <S แ, บบและโอกลุ่มชนของทัานนี่คืออูดตัวเมียของอัลลอฮ์เป็นสัญญาณหนึ่งแก่พูดเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงปล่อยมันให้หากินตามลำพังในพันดินของอัลลอะ์และยาก่อความทุกข์ยากแก่มัน มิฉะนั้นแล้วการลงโทษอันรวดเร็วจะประสบกับพวกเจ้าต่อมาพวกเขาได้ฆ่ามันดานั้นซอเลจึงได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงสุขชารญในบ้านของพวกเจ้าเป็นเวลาสามวัน นั่นคือสัญญาที่ไม่โกรธดังนั้นเมื่อพระบัญชาของเราได้ ม, มาถึง เราได้ช่วยสอนแและบรรดาผู้สภาร่วมกับเขาให้รอดพ้นด้วยความเมตตาจากเราและจากความอดสูของวันนั้นแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชานาุภาพและเสียงกั บ, บันนาได้ทำลายบรรดาผู้อาธรรมและพวกเขาก็ได้กลายเป็นผู้ นอนทงภาพตายในบ้านของพวกเขาเสมือนกับว่าพวกเขาไม่ได้เคยอยู่ในนั้นมา ก, ก่อนพึงทราบเถิดว่าแท้ถิ่นสมุดนั้นปฏิเสธสตาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาพึงทราบเถิดว่า งห า, ง า, า, มมาหและแน่นอนบรรดาศาสนาพุทของเราได้ ม, มาอย่างอิบรอฮิมพร้อมด้วยข่าวนี้พวกเขากล่าวว่าขอความสารติ จงมีแด่ท่านที่บริหิมกล่าวว่าขอความสันติจงมีแด่พวกท่านดังนั้นเขาไม่รีรอที่จะนำลูกอัวย่างออกมาแลัมมื่อเห็นพวกเขาไมิมอิลัยีินักเาก็รสว่าวเขาจะมินาุมคีฟะักาลูลาตะคตฟอินมาอฉส่ลนไปหาพวกเขา แค่เมื่อเขาเห็นว่ามือของพวกเขาไม่ถึงมันเขาไม่พอใจและรู้สึกกลัวพวกเขาพวกเขากล่าวว่าอย่ากลัวเลยแท้จริงเราถูกส่งลงมายังกลุ่มชนของลู ท, ทาาและภรยาของเขาก็ยืนอยู่นานได้วรรคเราจึงแจ้งข่าวดีกับนาน ด้วยการได้บุตรชื่ออิสฮะและหลังจากอิสฮะคือยาบูนางกล่าวว่าโอ้แปลกแท้ฉันจะมีบุตรหรือขณะที่ฉันแก่แล้วและนี่สามีคนฉันก็แกง่องอมแล้ว แท้จริงนี่เป็นเรื่องประหลาดแท้ๆหูกเขากล่าวว่าเธอแปลกใจต่อพระบัญชาของอัลลอือ ความเมตตาของละและความจำเรินของพระองค์จงประสบแด่พวกท่านอ้ครอบครัวของอิบรอฮิมแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ได้รับการสรรเสริญผู้ทรงประเสริฐยิง่งท่านเมื่อความตระนุกได้คลายไปจากอิบรอฮิมแล้วและข่าวดีได้มาอย่างเขา เขาก็โต้เถียงเราในเรื่องของกลุ่มชนลูอินนแท้จริงอิบราฮีมนั้นเป็นผู้ขันติติดใจอ่อนโยนกลับตัวสู่อ Allah เสมอยาอิบราฮีมอักริบอันาีาอินนั้วเขดจ้งอัมร์รับบิก โอ้อิบราฮิจมจงหันเหออกจากเรื่องนี้เถิดแท้จริงพระบัญชาของพระผู้วิบาลของเจ้าได้มาถึงแล้วและแท้จริงพวกเขานั้นการลงโทษที่ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น จมย ง, ยง แ, และเมื่อบันดาทูตของเรามาไลาก้าไดมาอย่างรุ้นเขาเป็นทุกข์ต่อกลุ่ชนของเขาและหนักใจต่อพวกเขาและกล่าวว่านี่ เป็นวันอันเลวร้ายวมย์่ง إليه ว م าจากก่อนข้ามุฮูย์ทำเรื่องเ ا วร้ายข ا ามุฮูย์กล่าวว่าข้ามุ ا ูย์ ه วกข ل ามุฮู ي ์สาวกของข้ามุฮูย์ข้ามุฮูย์ข้า และกลุมชนของเขาได้มาหาเขาพวกเขารีบร้อนมาอย่างเขาและก่อนหน้านั้นพวกเขาเคยทำความชั่วพขากล่าวว่าโวกกลุมชนของฉันเก๋ยโอกกลุมชนของฉันเอ๋อยลาวนี้คือลูกสาวของฉันพวกนางนั้นบริสุทธิ์สำหรับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงอาลอดเถิดและจงอย่าทำให้ฉันขายหน้าต่อแขกของฉันเลย ไม่มีคนที่มีสติสัมปชัญญะในหมู่พวกเจ้าบ้างหรือพวกเขากล่าว่าโดยแน่นอนท่านก็รู้ดีว่าเราไม่มีสิทธิในลูกสาวของท่านและแท้จริงท่านก็รู้ดีถึงสิ่งที่เราปรารถนา د د ลูด ก, กล่าวว่าหากว่าฉันมีกำลังปาบวกเ้าหรือว่าฉันนี่พินควลุกล่าวว่าหากว่าฉันมีกำลังปราบพวกเจ้าหรือว่าฉันหันไปพึ่งที่พักพิงอันควรไว้ ฟ้าสรีบอหลิับขั้วเินในนและไม่จะทักที่มีคุณอะห์ดุลัลลัมรัตตอินนัูมศิบุห์มาอาาบะห์อินนั้ ل โม่ยดห์มุบุห์อเลสส์ศบุห์บิกรีบพวกเขามาเลี้ยงกลาวว่าโอรุตเอ๋ยพวกเราเป็นทูตของพระผู้อวิบาลของท่านพวกเหล่านั้น จะไม่ถึงท่านเลยดังนั้นท่านจงเดินทางไปในเวลากลางคืนพร้อมกับครอบครัวของท่านได้และคนใดในหมู่พวกท่านอย่าได้เหลียวหลังมองเว้นแต่พัญญาของท่านแท้จริงจะประสบแกนานเช่นเดียวกับที่ได้ประสบแกพวกเขาแท้จริงเวลานัดหมายของพวกเขาคือเวลาเช้าเวลาเช้านั้นใกล้เข้ามาแล้วมิเชล มดังนั้นเมื่อพระบัญชาของเราได้มาถึงเราได้ทําให้ข้างบนของวันเป็นข้างล่างและเราได้ก้อนหินแกล้งลวนรูลงมา ถูกตราเครื่องหมายไว้ะที่พระผู้อภิบาลของท่านและมันไม่ไกลไปจากบรรดาผูอ้อาธรรมเลยโวอิ ล, มอาา ล, มอมละมดี أنا أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غير และยังกลุ่มชนของมัดยันเราได้ส่งพี่น้องคนหนึ่งจากพวกเขาคืนสวรรค์ทกกล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันพวกเจ้าจงเคารพพักดีต่อรอดเถอะ พวกเจ้านั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์และพวกเจ้าอย่าให้การตรวงการช่างบกพร่องเลยแท้จริงฉันเห็นพวกเจ้ายังอยู่ในความดีและแท้จริงฉันกลัวแทนพวกเจ้าต่อการลงโทษในวันที่ถูกค่อมล้อมไว้ว และโอ้กลุ่มชนของฉันพวกเจ้าจงให้ครบสมบูรณ์ในการตวงและการช่างอย่างที่นทยมและอย่าให้บกพร่องแก่ผู้คนซึ่งสิ่งต่างๆของพวกเขาและอย่า ก, ก่อปัวนในแผ่นดินโดยเป็นผู้บวชทำลาย م م สิ่งที่เหลืออยู่ของอัลลอ์นั้นดียิ่งสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาและคันไม่ใช่เป็นผู้ปกป้องพวกเจ้าได้กาลูยา شعيب أصليت ม ت أ م ر كأن พวกเขากล่าวว่าโอสุยบการละมาดของท่านสั่งสอนท่านว่าให้พวกเราละทิ้งสิ่งที่บรรพบุรุษของเราเคารพ บ, บูชา หรือว่าให้เรากระทําต่อทรัพย์สินของเราตามที่เราต้องการการะนั้นดือแท้จริงท่านนั้นเป็นผู้ขันติเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ว่าَม أُرِيدُ أ َอْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى คุ ا أ َ ن ْ ه َิ ك ُ م ْ ع َันหย إ ِคุ أُرِيدُ إ ันَّอ ا ل ْ إ ِ أ إ أ إ ص ْ ل َน ح َ مَا ا س ْ ت َ ط َ ع ْ ت มَ่ามา ت َ و ล ف ِ ي ق ِ ي إِلَّا ب ะ ا ل ل َّไِ عَلَيْهِ รَ و ََّ้ ل ْ ت ُ و َ إ ِ ل َ ي ْ ه จะُ ن ِ ي พาลนพเขาบกกล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือ หากท่านมีหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระผู้อวิบาลของฉันและพระองค์ได้ทรงประทานเครื่องยังชีพให้แก่ฉันซึ่งเป็นเครื่องยังชีพที่ดีจากพระองค์และฉันมิปรารถนาที่จะขัดแย้งกับพวกเจ้าในสิ่งที่ฉันได้ห้ามพวกเจ้าให้ละเวน้นฉันมิปรารถนาสิ่งใดนอกจากการปฏิรูปให้ดีขึ้นเท่าที่ฉันสามารถและความสําเร็จของฉันจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยความช่วเหลือของอลัลลอฮฺแด่พระองค์ ฉันขอมอบหมายและยังปรุงเท่านั้นฉันจะกลับไปหายและโอ้กลุ่มชนของฉัน อย่าให้การขัดแย้งของชั้นทำให้พวกเจ้ากระทำผิดซึ่งมันจะประสบแก่พวกเจ้าเช่นที่ได้ประสบแก่กลุ่มชนของมุ่หรือกลุ่มชนของฮูนหรือกลุ่มชนของสอเลและกลุ่มชนของลูตนั้นไม่ได้อยู่ห่างไกลาจากพวกเจ้าลววัสรรรออ บ, บมุมมมซย น, ه, นบบ ด, ด และพวกเจ้าจงขออภัยแโทษ ต, ต่อพระผิบาลของพวกเจ้าและตจงกลับตัวต่อพรหมแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันนั้นเป็นผู้สรงเมตตาผู้สรงรักใคร่เสมอกาลูยาชุอับมานัสเาะกะทีรัมมนมิมมาจะกูลวะอินนาลนรากะีนาฎะอีฟะ ا أ พวกเขากล่าวว่าโอ้สุลิ์เราไม่เข้าใจส่วนมากที่ท่านกล่าวแต่แท้จริงเราเห็นว่าท่านเป็นคนอดแอในหมู่พวกเราถ้าไม่ใช่เพราะครอบครัวของท่านแล้วเราจะหินขว้างท่านและท่านไม่ได้เป็นผู้มีเกียรติเหนือพวกเราเลย อัละเขากล่าวว่าโอกลุ่มชนของฉันครอบครัวของฉันเป็นที่นับถือแก่พวกเจ้ามากยิ่งกว่าอัลลอฮ์กระนั้นหรือและพวกเจ้าได้เอาพระองค์ไว้เบื้องหลังพวกเจ้าแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉัน ทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำแล้วกลุก่มคนของฉันพวกเจ้าจงกระทำต า, ตามแนวทางของพวกเจ้า ฉันก็จะทำตามตามแนวทางของฉันและพวกเจ้าก็จะรู้ว่าผู้ใดที่การลงโทษจะประสบแก่เขาจะทำให้เขากดสูงและผู้ใดที่เขาเป็นคนโกหกและพวกเจ้าจงคอยเข้าดูเถิดแท้จริงฉันอยู่ร่วมกับพวกเจ้าคอยเฝ้าดูอยู่ด้วย َلَمَّا وَالَّذِينَ الَّذِينَ ظَلَمُ السَّيْحَةُ أَمْرُنَا آمَنُوا مَعَهُوا جَاءَ نَجْجَيْنَا َأَخَذَ فَأَصْبَحُوا مِّنْنَا شُعِيْبَا فِي بِرَحْمَةٍ دِيَارِهِمْ และเมื่อพระบัญชาของเราได้มาถึงเราได้ช่วยให้ซุอิฟและบรรดาผู้ศรัทธาร่วมกับเขาให้รอดพ้นด้วยความเมตตาจากเรา และเสียงกำ บ, บันนาได้ทำลายบรรดาผู้อธรรมและพวกเขาได้กลายเป็นผู้นอนพันภาพตายในบ้านของพวกเขาเองเ ส, สมือนว่าพวกเขาไม่ได้เคยอยู่ในนั้นมาก่อนเพิ่งทราบเถิดว่าจงห่างไกลจากความเมตตาเถิดสำหรับมัดยันเช่นเดียวกับ ที่สมุได้หางไกลมาแล้วและโดยแน่นอนเราได้ส่งมูซามาพร้อมด้วยสัญญาต่างๆของเราและหลักฐานอันัดแจ้งอปลากิราวนั้นและลัยี่จะติดารอัมร์ิร่านวะมและมรัยที่จะิรชีด อย่างฟฟรอูนและบรรดาผู้นำของพวกเขาพวกเขาได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเฟรอูนและคำสั่งของเฟรดูนนั้นไม่ชานฉลาดลด้ว ah um เขาจะนำหน้ากลุ่มชนของเขาในวันพราโลกและนำพวกเขาลงนรก และมันจ่างเป็นทางลงที่ชั่วช้ายิ่งและพวกเขาถูกติดตามด้วยการสาปแช่งในโลกนี้และวันปารโลกมันช่องเป็นความช่วยเหลือที่ชั่วช้ายิ่ง นั่นคือส่วนหนึ่งจากเรื่องราวของเมืองต่างๆเราได้บอกเล่ามันแก่เจ้าส่วนหนึ่งของมันยังคงอยู่และส่วนหนึ่งก็เสื่อมโสรไปแล้ ว, ว فما َ أغنت عنهم َُ آلهتهم َُِ التي يدعون ََ من دون الله ِ ش ي ْ ء ٍ التي يدعون ََ من دون الله ِ مِنْ ش ي ْ ء ٍ إ ل ّ ما جاء أمر ُ ربك َِّ وما َ زادهم َُُ غير َ تتبيل. َ แต่ถ้าว่าพวกเขาอาธรรมต่อตัวของพวกเขาเองและบรรดาพระเจ้าของพวกเขาที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์นั้นจะไม่อำนวยประโยะน์อันใดให้แก่พวกเขาเลยพระบัญชาของพระผู้อภิบาลของท่านได้มาถึงและพระเจ้าเหล่านั้นไม่ได้เพิ่มอันใดกับพวกเขานอกจากควกามพินาศเท่านั้น ออินนู د د> และเช่นนี้แหละคือการลงโทษของพระผู้บิบาลของเจ้าเมื่อพระองค์ทรงลงโทษตำบลหนึ่งซึ่งเป็นตำบลที่อาธรรมแผจิงการลงโทษของพระองค์นั้นเจ็บแสบสหาหัสอินน์ฟิดลิกลาอายตัลิมันข้อฟะดัลอาครั แท้จริงในการนั้นเป็นสัญญาณสําหรับผู้ที่กลัวการลงโทษในพรโลกนั่นคือวันแห่งการรวบรวมพวง ม, มนุษย์สําหรับพระองค์และนั่นคือวันแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงและเราไม่ได้หน่วงมัน เว้นแต่เพื่อวรรคที่ถูกกำหนดไว้เดอวันที่เมื่อมันมาถึงไม่มีชีวิตใดจะพูดได้เว้นแต่โดยอนุมัติของพระองค์ดังนั้นในหมู่พวกเขาจะมีผู้ที่เป็นทุกข์ และนผู้เป่มีุกข็ะอยู่นนรกสำหรับขทีนนั้นคือการถหรดังนั้นสำหรับผู้ที่มีทุกข์ก็จะอยู่ในนรกสำหรับพวกเขาที่อยู่ในนั้นคือการถอนให้ใจและการสะอื้น พวกเขาจะพอนักอยู่ในนั้นตลอดกาลตราบเท่าที่ชั้นฟ้าและแผ่นดินยังคงอยู่เว้นแต่ที่พระผู้วิบากของพวกเจ้าทรงประสงค์แท้จริงพระผู้พิบากของเจ้าเป็นผู้กระทำโดยเด็ดขาดตามที่พระองค์ทรงประสงค์ وَالْأَرْضُ และสาหรับบรรดาผู้เป็นสุขก็จะอยู่ในสวนสวรรค์โดยจะพรมนักอยู่ในนั้นตลอดกาล ตราบเท่าที่ชั้นฟ้าและแผ่นดินยังคงอยู่เว้นแต่ที่พระผู้อภิบาลของเจ้าทรงประสงค์เป็นการประทานให้โดยปราศจากการตัดทอทารมทนรูา้าท่านรูรมมม า, า, า่า้า่าา่าูน่า่าาน ดังนั้นเจ้าจงอยาอยู่ในการสงสัยจากการที่เขาเหล่านั้นเคารพพระดีเลยพวกเขาไม่ได้เคารพพักดีสิ่งใดเว้นแต่เช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษของพวกเขาได้เคารพพระดีมาก่อนแล้วและแท้จริงเราใชใ้ส่วนของพวกเขาสมบูรณ์แก่พวกเขาโดยไม่ขาดตกบกพร่องแต่ประการใด และโดยแน่นอนเราได้ประทานคำภีให้แก่มูซาแล้วได้เกิดการขัดแย้งกันขึ้นในคำภีนั้นและหากไม่ใช่ลิขิตและได้บันทึกไว้ที่พระพุมธบานของเจ้าแล้ว แน่นอนก็คงจะถูกตัดสินระหว่างพวกเขาและแท้จริงพวกเขานั้นเป็นผู้สงสัยก็ย่อมอยู่ในการสงสัยต่ออคนรุว่ยนุมรุอมมิินนูบายอลูนคีและแท้จริงพวกเขาทั้งหมดรับผู้อภิบาลของเจ้าจะทรงตอบแทนแก่พวกเขาอย่างครบถ้วน ซึ่งการงานของพวกเขาแท้จริงประองส่งรอบรู้ทุกสิ่งที่พวกเขากระทัำเจ้เ า, า, นนาตจงยืนหยัดดังที่เจ้าถูกบัญชาไว้และผู้ที่ขอพยโทษกับเจ้าและพวกเจ้าอย่าได้ละเมิด ถ้าจริงพระองค์ทรงรู้เห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำและพวกเจ้าอย่าเห็นชอบไปกับบรรดาผู้อาธรรมไฟนรกจะสัมผัสพวกเจ้า และสำหรับพวกเจ้านั้นไม่มีผู้คุ้มครองใดๆในอกจากอัลลอฮ์และพวกเจ้าจะไม่รับการช่วยเหลือว่าพี่มิสซาลาทัตรฟินน์ฮาริวซุลฟัมในเลนอินล์อินนัลฮะสเนสิยุฮิดนัสเซียต์ดาลิกริคร์ลิบดาคิรินแลาเจ้าจงปฏิบัติละหมาด ต, ตามตลายช่วงทั้งสองของกลางวันและอย่างต้นจากกลางคืน แท้จริงความดีนั้นย่อมลบล้างความชั่วได้นั่นคือข้อเตือนสำหรับบรรดาผู้ที่ระมิกแต่เจ้าจงอดทนและแท้จริงอัลลอ์นั้นจะไม่ทรงทำให้รางวัลของผู้ทำความดีสูญหาย ทั้งไม่ในสัตว์วَดก่อนพวกเจ้า จึงไม่มีปัญญาชนช่วยกันห้ามกรางการบ่นทำลายในแผ่นดินเว้นแต่จำนวนน้อยเท่านั้นจากผู้ที่เราได้ช่วยให้พวกเขารอดพ้นและบรรดาผู้อธรรมได้ปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาถูกให้อยู่ในความรำคาญพวกเขาจึงเป็นผู้กระทาผิดและพระผู้อภิบาลของเจ้า จะไม่ทรงทำลายหมู่บ้านอย่างไม่เป็นธรรมโดยที่ผู้คนในหมู่บ้านนั้นเป็นผู้ฟื้นฟูนทำความดีละพระพู้มีบานของเจ้าทรงประสงค์แน่นอนพระองค์จะทรงทำให้กลุ่มนุษย์เป็นประชาชาติเดียวกันแต่พวกเขาก็ยังคงแตกแยกกัน ولا َلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا َلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ كَلِمَةُ لَأَمْ لَأَنَّ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ مَنْ جَهَنَّمَ مِنَ رَحِمَ َتَمَّتْ رَبُّكَ رَبِّكَ เว้นแต่ผู้ที่พระผู้อภิบาลทรงมีเมตตาเช่นนั้นแหละพระองค์ทรงบังเกิดพวกเขาและลิขิตของพระผู้อภิบาลของเจ้า ได้สมกำหนดไว้ครบถ้วนแล้วแน่นอนข้าจะให้นรกนั้นเต็มไปด้วยพวกยินและมนุษย์ทั้งมวลและทั้งหมดนี้เราได้เล่าให้เจ้าฟังจากเรื่องราวของบรรดาศาสนาทูต เพื่อทำให้จิตใจของเจ้าหนักแน่นและได้มายังเจ้าแล้วในเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งความจริงและข้อตักเตือนและข้อรำลึกสำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายคุ่งกล่าวเถิดมูฮัมมัดแก่บรรดาผู้ไม่ศรัทธาว่าพวกเจ้าจงกระทำตามแนวทางของพวกเจ้าเถิด แท้จริงเราก็เป็นผู้กระทำเช่นกันและพวกเจ้าจงคอยดูเถิดแท้จริงเราก็เป็นผู้คอยดูวันจะดูอินนั้นจะดูและพวกเจ้าจะคอยดูเถิดแท้จริงเราก็เป็นผูุคอยดูวันจะดูอินนั้นจะดู และเป็นกรรมสิทธิ์ของ a ล l a h คือสิ่งพ้นยานวิสัยแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและอย่างพระองค์เท่านั้นการงานทั้งหมดจะถูกนำกลับไปดังนั้นเจ้าจงเคารพพักดีพระองค์และจงมอบหมายต่อพระองค์และพระผู้อวิบาลนของเจ้าจะไม่เป็นผู้ทรงลืมในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ